ก็เรียกว่าตาเนี่ยนะไม่ใช่แบบเคยเห็นอะไรแล้วตาหยีเลยใชไม่ใช่เห็นแบบเห็นแล้วตาหยีแหมตาเอียงตาเขตาเหลาตาเหลือกเป็นต้นไปเป็นแบบนั้นนั้นมีแต่ตาเนี่ยเอิบอิ่มนะเป็นเอิบอิ่มจริงๆเหมือนชมจันทร์ในฤดูสัตว์ชมจันทรในฤดูสัตว์นี่ชมมาไหนก็คือชมวันนั้นนะวันออกพรรษา่วันเพ็งวันเพ็งก่อนออกพรรษาหนึ่งวันอ่ะนะวันออกพรรษาเป็นวันที่หรือว่าฤดูสัตว์เนี่ย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 ฉั น, นั้นเนี่ยนะมัยน ย, ยังดวงใจของผู้ที่เห็นเนี่ยให้อบอิ่มปราบเพื่มใจดีใจบันเทิงใจนึกในใจในขนาดเราเห็นพระพุทธรูปเรายัางสบายใจขนาดนี้ถ้าเห็นพระพักที่ที่เกิดจากบุญที่พระองค์สั่งสมมาตลอดสี่อสงไขยแสนกลับจากรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานที่จิตที่เป็นมหากิริยาจิตมหคัตจิต จิตที่เป็นมรรคผลเป็นสมุทฐานจิตที่เป็นอส า, าธารณญาณเป็นต้นเป็นสมุทฐานแห่งรูปเหล่านั้นเนี่ยนะแล้วก็เป็นบุคคลที่มีอิอริยาบถสปายะอุตุสปายะทุกอย่างหมดเลยเนี่ยถ้าเราได้เห็นพระองค์เหล่านั้นเนี่ยพู้ได้อาหารที่เรียกว่าอาหารก็เป็นอาหารพิเศษประกอบด้วยอาหารที่เป็นต้นเนี่ยจะยังจิตให้ชื่นชมปราบเริ่ม สมงมนัดขนาดไหนอย่างบางคนไปนั่งชมพระพุทธชินราชก็ดูได้ไม่เบื่อหรือว่าคนที่ไปอินเดียก็ไปดูหลวงพอ่อพระพุทธเมตตาเนี่ยก็ดูได้ไม่เบื่อยังจิตใจให้อบอิ่มปราบรื้มสันใดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นฉันนั้นเพราะว่าพระองค์นั้นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พระองค์เพรา ะ, ะนั้นผู้ใดได้เห็นพระองค์ด้วยตาผู้นั้นก็มีความสุข ผู้ใดได้ฟังเสียงของพระองค์ด้วยหูผู้นั้นก็มีความสุขผู้ใดระลึกถึงพระองค์ด้วยใจใจของผู้นั้นก็มีความสุขเพราะว่าพระองค์นั้นปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นปันพระพุทธเจ้านั้นจึงว่าเห็นก็เป็นสุขฟังก็เป็นสุขคิดถึงก็เป็นสุขยิ่งปฏิบัติตามคาสอนก็สุขในโลกนี้เนี่ยนะสุขสุขในขณะนั้นเลยแล้วก็เป็นอุปนิสัยแห่งสุข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 พรงอยู่ที่ไหนสัตว์ทั้งหลายก็สามารถที่จะเห็นอริยสัตว์ได้สรุปว่าพวกเทวดารวมทั้งหมู่พรมนะพรมชั้นอภัสราสุภกินหาเวหพลาพวกอภัสราก็คือพวกปริตาภาอปมาณาภาอภัษราที่เกิดด้วยทุติยาชาญส่วนพวกสุภกินหาก็เกิดจากตติยาชานปริตตสุภาอปมาณาสุภาและสุภกินหาส่วนเวหพลานั้นก็มีผลไผบู์นี้ก็เกิดจากจตุทชาญ เป็นระดับเดียวกันกันกบอสัญญาสัตย์ปฐมฌานท่านไม่แสดงไว้ในที่นี้เนี่ยเพราะเป็นภูมิชั้นลา่างแต่ก็แสดงชื่อว่าแสดงแล้วละ่ะแม้กระทั่งรวมถึงอากติฐานาเนี่ยนะก็คือสุทธาวาทห้าชั้นอวิหาอตตปาสุทธสาสุทธศีอากานิฐาเทวดาเหล่านั้นเนี่ยนะหมู่พรมเหล่านั้นใช้ผ้าสะอาดคือสะอาดหมดจดเ้าผ่องแผ่ว้าวสะอาดดี ทั้งนุ่งและหม่มเรียกว่าเป็นผู้นุ่งหม่มผ้าขาวสะอาดดีแปลว่าผู้ครองผ้าขาวสะอาดบริสุทธิ์พากันยืนประคองอัญเชลีปัชชลีกตาเนี่ยนะปัจฉลีกตาก็คือประคองอัญชลีทําการยกมือทําให้เสมือนดอกบัวตูไม้เนื้อเสียนอันนี้ไม่ใช่ดอกบัวเหี่ยวบัวเฉาบัวอะไบัวร่วงบัวโรยบางคนก็ไหว้มือเนี่ยนะโอ้ยยกมือไหวย้ยังก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเนยนะก็ไม่ยกแต่ดูสวยกว่าตั้งเยอะเนี่ยนะ ยกก็ยกเอียงไหวก็ไม่รู้ว่าไหวเป็นเหมือ น, น, นกับดอกบัวเตรียมจะโรยจะร่วงอย่างนั้นแหละไม่เต็มใจไหว้ันความง่า ย, ายไงคุณรู้จะไหวหรือไม่เรียกว่าไหวก็ไม่ทราบแต่นี้พวกพรหมเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นหรอกแล้วก็เหมือนทําเหมือนดอกบัวตูมแล้วก็ไว้เหนือเสียงกล้าวเนี่ยนะด้วยจิตใจที่นอบน้อมพรหมเหล่านั้นก็กล่าวว่าอาโหชิโนโลกอฮิตานุ ก, กัมปโตเนี่ยนะ แปลงวาจาวะอโหชิโนโลกะหิตานุกัมปตโตแปลว่าโอ้พระชินเจ้าผู้เกื้อกูลแก่โลกโอ้พระผู้เกื้อกูลอนุเคราะห์โลกโอ้พระผู้มีใจกรุณาเนี่ยนะผู้มีใจกรุณาผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาผู้ที่มุ่งปลดเปลื้องความทุกข์แห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายโอ้ยผู้เกื้อกูลโลกผู้อนุเคราะห์โลกผู้ผู้มาโปรดโลกผู้มาช่วยโลกให้พ้นไปจากความทุกข์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 ของสัตว์สองเท้าเนี่ยนะคำอธิบายบอกว่าพระองค์นี่เป็นพระศาสดาศาสถาเนี่ยนะก็คือยกมาข้อความอันหนึ่งในในอิติปิโสนะก็คือศาสถาเทวมนุษย์สานังก็ยกมาศาสถาพระองค์ผู้เป็นพระศาสดาแต่ยกบทเดียวก็ชื่อว่ายกอิติปิโสมาหมดแล้วตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตตโอปุริสธรรมสารติศาสถาเทวมนุษย์สานังพุทโต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 โลกหน้าอะไรที่จะเป็นประโยชน์เกือ้อกูลแก่โลกนี้อะไรจะเป็นประโยชน์เกือ้อกูลแก่โลกหน้าอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งพระองค์ก็โอวาทแนะนําพร่ำสอนเนี่ยนะพระองค์ชื่อว่าพระศาสดาบอทว่าชื่อว่ากตุเพราะพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนธงธงเนี่ยเป็น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 การรักษาศีลบูชาพระองค์ด้วยอินทรีย์สังวรบูชาด้วยโภชเนมตันยุตาชากรยานุโยกสติสัมปชัญญาบูชาพระองค์ด้วยการกำจัด ก, การมาฉันทานิวอ์พยาบาทนิวอ์ทีนามิทธาอุทจกักกุกุ จ, จานิวอ์บูชาพระองค์ด้วยปฐมฌานทุติยฌ า, านตาติยฌ า, านเจตุธาฌานบูชาพระองค์ด้วยอากาสา น, านาัญญาตนะวิญญาอากินเนวะสัญญาณาสัญญายาตนะ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 ทั้งปวงฉะ น, นั้นเนี่ยนะพรนธัตว์ถ้าจะทําคุณงามความดีเนี่ยนะประหารพุทธคุณทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงคุณประดุดแผ่นดินหมายคือว่าแผ่นดินเป็นที่เพาะเป็นที่ปลูกเป็นที่อาศาัยเป็นที่เจริญเสบียงเจริญอาหารฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญคุณธรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะ น, นั้นแผ่นดินเป็นที่จเจริญขึ้นแห่งยูกยาฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นที่จเจริญแห่งหยูกยาคือ อริยมรรคฉั น, นั้นพันพระองค์เนี่ยเป็นที่รองรับสรรพสัตว์ทั้งหลายหรืออีกในหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับอะไรเป็นเหมือนกับเรือเป็นเหมือนกับแพรที่จะช่วยพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามออกจากวัฏฏทุกข์พันธ์พระองค์จึงเป็นที่ประดิษฐานเป็นที่ประดิษฐานเป็นที่รองรับสําหรับสัตว์ผู้มีทุกข์เหมือนเดียเพื่อให้เขาเหล่านั้นพ้นไปจากความทุกข์บทว่าทีโปเนี่ยนะทีโปก็คือประทีป หรือทีโปเนี่ยแปลหลายอย่างทีปะเนี่ยแปลว่าประทีปก็ได้แปลว่าเกาะก็ได้ทีปะเนี่ยหน่อรือทวีปอะภาษาไทยนิยมใช้คำว่าทวีปจะใช้ทีปะเนี่ยแปลว่าเกาะก็ได้แปลว่าประทีปก็ได้นัยยะแรกอธิบายว่าประทีปก่อนอธิบายว่าประทีปที่เขายกขึ้นประทีปหมายถึงแสงสว่างที่เขายกขึ้นสําหรับสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในความมืดมีองค์สีย่อมส่องสว่างให้เห็นรูปได้ฉันใดอย่างยามค่ําคืนที่มืดมิด ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกเนี่ยนะถ้าหากว่าอาศัยแสงประทีปแสงสว่างจุดก็สว่างสว่า ง, างกำจัดความมืดให้มองเห็นสีมองเห็นสีขาวสีเขียวสีเหลืองฉันใดพระองค์ก็เป็นเหมือนกับประทีปศาสตร์ส่องให้สัตว์ทั้งหลายเห็นปรมาตธรรมให้สัตว์ทั้งหลายเห็นทุกขาริยสัตว์อัตถะที่จริงแท้คือขันอายตนะธาตุที่ปีรณะนะเนี่ยนะเบียดเบียน ส่องให้เห็นความเบียดเบียนแห่งทุกข์สัตว์ส่งให้เห็นถึงความเร่าร้อนของทุกข์สัตว์เห็นความถูกปัจจัยปรุงแต่งของทุกขสัตว์แล้วก็เห็นความแปรปรวนไปแห่งทุกขสัตว์ทั้งหลายคือขันอายตนะธาตุโปร่งส่องให้เห็นถึงสมุทัยที่เยื่อใยอะรายอาวณในขันเหล่านั้นว่านํามาซึ่งกองทุกอายุหนะเนี่ยนะแล้วก็เป็นเหตุแห่งทุกขแล้วก็มอบมอบหมายซึ่งทุกข์ให้ทําให้พัวพันจมอยู่กับกองทุกข แล้วก็พระพุทธรตัตนเนี่ยส่องให้เห็นพระนิพพานเนี่ยนะเป็นที่สงบสงัดเป็นที่ระงับดับทุกข์เป็นธรรมที่ไม่ตายแล้วก็ยกให้สัตว์ทั้งหลายเห็นข้อปฏิบัติดําเนินสู่ข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเห็นพระนิพพานสําหรับเหล่าสัตว์ที่ตกอยู่ในความมืดคืออวิชชาพระอวิชชาปกปิดไม่ให้เห็นทุกข์ปกปิดไม่ให้เห็นทุกขสมูทัยปกปิดไม่ให้เห็นทุกข์นิโรธ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 ประทีปที่าศาสตร์ส่องให้าศาสตร์ทั้งหลายมองเห็นสภาพที่เป็นจริงของอริยศัตร์ทั้งหลายนั่นเองอีกในหนึ่งแม้พระองค์ก็ทรงเป็นเหมือนกับเกาะเกาะในนะทีปาบทวีปแปลว่าเกาะเกาะของาศาสตร์ทั้งหลายาศาสตร์ทั้งหลายนี่เหมือนกับจมอยู่ในห่วงน้ําจมอยู่ในสาครทะเลแห่งสังสารวัตทะเลแห่งกรรมวัตวิปากวัตรกิเลสวัตรทะเลแห่งสังสาระที่ไหลสืบเนื่องกันไปเป็นขันอยตนะธาต เกิดเบื้องต้นเป็นความเกิดท่ามกลางเป็นชาราที่สุดเป็นมรณะอาศัยชาติชารามรณะเป็นที่ตั้งแห่งโสกาปริเทวะทุกโทมณสและอุปายาตไหลเวียนวนไปเนี่ยนะเป็นวิปากวัตเป็นวิปากวัตที่เป็นไปกับชาติชารามรณะ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 เพราะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายเมื่ออับปางในมหาสมุทรเหมือนเรือที่อับปางในมหาสมุทรฉะนัน้นเขาจมอยู่ในกามโมคะพโวคะทิโถโคะอวิโชคะพระองค์ก็เป็นเกาะดึงเขาให้ให้ขึ้นบนบกเนี่ยนะให้ขึ้นจากทิโถโคะฉุดขึ้นมาตั้งบนเกาะด้วยโสดาปฏิมักเนี่ยนะฉุดขึ้นจากห่วงน้ำคือกามโมคะด้วยอนาคามิมักฉุดจากห่วงน้า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 มันสกปรกมันปฏิกูลเนี่ยนะก็ต้องไปหาน้ำจากน้ำบ่อทรัพย์ที่อื่นๆไกลจากที่นั่นออกไปก็เอาเรือไปในนี้มันช่วงค่ำพอดีโผลเพลงยามนั้นเนี่ยนะลมมันก็แรงเรือมันก็บรรทุกน้ำปริ่มน้ำลมมันก็แรงอ่ะนะเครื่องยนต์มันโอ๊ยงานนี้ว่รอดไหมนอ้อรอดไหมน้องกันกนะไปก็ก็ข้าเอาบรรทุกน้ำเนี่ยข้ามไปจนถึงกาะ เออมาถึงเกาะทุกคนก็นหายใจโล่งเลยนะฮรอดตายแล้วแน่ๆนะ น, นี้ที่จริงอะนะของมาเองกนะันแหละกับเพื่อนอีกหลายคนแล้วก็โยมอีกคนนึ่งนะโอ้ยอาจารย์ผมขึ้นในใจเขาเลยมันสิฮอตมาเนาะมาเงี้ยเรานะ ว, ว่ารอดหรือเปล่านะงานนี้เพนะราะลมมันแรงมากแล้วเรือมันเรือเล็กด้วยใช่ไหมมันก็ปริ่มน้ำมาเรือไม่กี่นิ้วโยกเย ก, กโยกเยกโยกอื ก, ก, กแล้วก็มันห่างฝั่งมันกันนะนะเป็นร้อยเมตรอะ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 พูถึงศัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในสังสารทุกนี่นะมันใจสูงสูงต่ำต่ำมันรอดไหมเนาะแต่ละเรื่องแต่เรื่องเต็มไปด้วยความหนักอกตักใจเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเต็มไปด้วยความแปรปรวนไม่รูคลื่นลมลมเรียกว่าคลื่นล ม, ลนลมแห่งชีวิตถูกซัดมาจากทิศไหนบ้างก็ไม่รู้นั้นก็เต็มไปด้วยความเดือดร้อนเต็มไปด้วยความทุกข์ความยากความลําบากนั้นถ้าไม่ถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นเกาะเป็นที่พึ่งจริงๆในมชีวิตไม่รู้จะไปยังไง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 ถ้าธงยังตั้งอยู่ทหารคนใดถอยแม้แต่ก้าวเดียวคอขาดเรียกว่าถอยก็ตายสู้ต่อไปอาจจะชนะอันนี้คือกฎโบราณเลยนะโบราณเนี่ยชันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับธงสําหรับผู้ที่จะต่อสู้เพื่อการตรัสรู้ธรรมต่อสู้เพื่อความทนทุกข์พระองค์เนี่ยเป็นเหมือนกับธงแห่งชัยชนะเรียกว่าเป็นเหมือนธงชัยแล้วก็พระองค์เนี่ยเป็นหลักจริงๆพระองค์เป็นที่พํานักเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัย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 สัตว์มีรูปหรือสัตว์ไม่มีรูปสัตว์มีสัญญาหรืออสัญไม่มีสัญญาเนี่ยนะหรือเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่ทําไมยกตัวอย่างแค่สัตว์2เท้าเล่าเพราะเพราะว่าสัตว์สองเท้าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดในโลกเนี่ยนะเช่นในหมูในหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะพระเจ้าจักรพรรดิเป็นต้นผู้เป็นสัตว์2เท้าประเสริฐสุดสัตว์4ี่เท้าเนี่ยเป็นเป็นธาตรับใช้สัตว์สองเท้าสัตว์4เท้าจะไม่ได้เป็นอิสระอะไรเนี่ยนะ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 สองเท้าอย่างพรมยังต้องมาคลุกเคล่าอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์นี้สูงสุดกว่าสัตว์ทุกชนิดะนะเราโดยยกตัวอย่างว่าสัตว์ที่เหนือกว่าสัตรสัตคือสัตว์ตสองเท้าเทวดาและพรมเหล่านั้นพากันชื่นชมน ะ, นะบอกว่าเทวดาทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุผู้มีฤทธิ์ผู้ยินดีร่าเริงบันเทิงใจห้อมล้อมน้ำ ก, การนอมน้อมพระพุทธเจ้า เทพบุตรและเท พ, พธิดาผู้เลื่อมใส ย, ยินดีร่าเริงพาการบูชาพระนาราสพะด้วยดอกไม้ห้าสีหมู่เทพเลื่อมสายยินดีร่าเริงชมพระองค์เสร็จแล้วก็พาการบูชาพระนาราสภะด้วยดอกไม้ห้าสีโอ้หน้าปรบมือแปล ว, ว่าหน้าอัศจรรย์หน้าประหลาดหน้าขนลุกชูชันหน้าอัศจรรย์ขนลุกข น, ขนชันเช่นนี้เราไม่เคยพบก็ เ, เห็น เกิดมาเทวดาบอกไม่เคยพบเคยเห็นเพราะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดง่ายๆบางทีเนี่ยนะโลกธาตุว่างจากพระพุทธเจ้าร้ายกลับด้วยกันเทวดาบอกโอ้ความน่าอัศจรรย์เห็นพุทธานุภาพเหล่านี้ไม่เคยพบเคยเห็นเทวดาเหล่านั้นนั่งอยู่ในภพของตนของตนก็เห็นความอัศจรรย์ในนภาอากาศก็พากันหัวเราะด้วยเสียงดังหัวเราะ อ, อันนี้หมายความว่าโอ้ดีใจมากะนะมันหัวเราะแบบคนดีใจจริงๆเลย อากาศเทวดาภู ม, มะเทวดาและเทวดาที่อยู่ประจําภู ม, มะหรือต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยนะหรือว่าเทวดาที่อยู่ในทางเปลี่ยวก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจประคองอัญเชิญนมาสการนอบน้อมพระพุทธเจ้าพวกนาคที่มีอายุยืนมีบุญมีฤทธิ์บันเทิงใจเสร็จแล้วก็พากันนมาสการบูชาพระนราสภะเพราะเห็นความอัศจรรย์ในนภาากาศสังคีตะ เครื่องดนตรีทั้งหลายก็ดีสีทั้งหลายก็บริเลงเครื่องดนตรีหุ้มหนังก็ประโคมในอัมพรภาคะนะเพราะเห็นความอัศจรรย์ในนภาากาศสังบันเดาะและกรองน้อยๆเป็นอันมากก็พากันบริเลงในท้องฟ้าวันนี้ความที่ขนชูชันหน้าอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วเนาะเราจะได้ความสำเร็จประโยชน์แน่แท้ได้ประโยชน์แน่ครับคือมองและวางงานนี่ได้ดีแน่นะนะ เรียว่าเหตุการณ์อัศจรรย์ครั้งนี้จะช่วยให้เราพ้นทุกได้แน่เรืนั้นสำเร็จประโยชน์เน่ประโยชน์คือพระนิพพานเราได้แน่นะับบัดนี้เราจะให้สําเร็จประโยชน์ได้แน่แท้ขณะเราได้แล้วนะซึ่งจะอธิบายต่อไปว่าคําว่าขณะได้แล้วนี่หมายคำว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นเทพบพยดาเหล่านั้นเนี่ยพอได้ยินคําว่าพุโทโธก็เกิดปีติผู้โทก็ปีติทันใดก็พากันประคองอัญเชิีกล่าวว่าพุโทโธพุโทโธเนี่ยนะ มูเทพต่างๆในท้องฟ้าพาการประคองอัญเฉลีเปล่งเสียงเหเปล่งเสียงสาธุโหร้องเอิบอึง้งลิงโลดใจเทพทั้งหลายพาการขับกล่อมประสานเสียงบรรเลงไอ้คำว่าขับกล่อมประสานเสียงเนี่ยก็คือชมพระพุทธเจ้านั่นเองนะชื่นชมพระพุทธเจ้าปรบมือพาการฟ้อนรำโปรยดอกมณฑารบห้าสีผสมกับจุนจันเรียกว่าผสมกับแป้งหอมข้าแต่พระมหาวีระ ด้วยประการไรเล่าพลักษณะจักที่พระบาททั้งสองของพระองค์จึงประดับด้วยธงวชิระประตากเครื่องแต่งพระองค์หรือขอช้างเป็นต้นอันเทวดาเหล่านั้นเนี่ยขอพากันชื่นชมยินดีเห็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์เนี่ยนะบอกว่าทุกวังอธิบายว่าเพราะเหตุที่พระาศาสดาพระองค์นี้อัศจรรย์อุบัติขึ้นในโลกเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจักได้สําเร็จประโยชน์โดยแน่แท้ เรียกว่าขณะที่9เว้นจากอักขณะทั้ง8เราได้แล้ว น, นะวพักสักครู่ก่อนจะได้กล่าวอักขณะอักขณะทั้ง8